นี้เราทำเป็นธรรมเนียมมีคนมากมีคนน้อยห้าคนเจ็ดคนสิบคนปากเช้าเอาอาหารใส่บาทรแค่ก็มานั่งยะตาปัจยังปฏิจังกายโยอัตติมยาพิจารณาอาหารก่อนฉันกำลังฉันฉันเสร็จแล้วแล้วรวบให้ปอนไปทีเดียวเลย นี่คือตำเนียมที่เราทําที่นี้เขาไม่มีอะไรเสียหายไม่ใช่ยะตาจะบปีฉันไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนที่มาก็ไม่ได้ประโยชน์กันนั้นเราจึงต้องทําอย่างนี้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยทีนี้ก็ต้องพูดทุกวันก่อนฉันพูดทุกวันอย่างน้อยก็สามสิบนาที วันนี้ก็จะพูดว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ของตัวเองในชีวิตประจำวันไม่ใช่พร้อมมืออย่างทด่เจ้าคุณวัดโนนกับไอ้พระทั้งโลกประชุมเดินขบวนแอนตี้รัฐบาลเพื่อที่จะ ตั้งสมเด็จช่วงให้เป็นพระจักรราชของพ่อว่ามันเพี้ยนแล้วอย่างนั้ น, นเพี้ยนแล้วนี่มันเพี้ยนกันไปหมดอะไรก็เพี้ยนกันไปหมดแต่ของเรานี่ให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรับมือตลอดเวลารับมือกับอะไรรับมือกับ กิเลสตัณหากิเลสตัณห า, หาเมื่อเราเริ่มที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องหวีผมก็ต้องแต่งตัวก็จะต้องทาปากจะต้องอะไรนั่นคือมันหลงหลงในความสวยความงามหลงในความเหล่อของตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้เพื่ ก, กันมาตั้งแต่เด็กๆ แต่งไ ด, ด้พอดีพอดีพอดีไม่ใช่แต่งจนเกินเลยเถิดไปนั่นคือเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือรับมือกับความหนุ่มความสาวในตอนแรกทีนี้เราจะรับมือยังไงคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยให้งามให้หล่อนี่ไม่ต้องดูกระจกให้ดูกระจก เราก็ต้องฝึกแล้วใครก็นั่งสมาธิบ้างไหวพระจวดมนต์บ้างเป็นลกูกเป็นหลานนี่ดูกระจกอย่าดูแต่ผิวหน้าอย่าดูแต่ผมอย่าดูแต่ฟันดูเนื้อหนังมันค่อยๆแต่งตึงแต่งขึ้นอะไรขึ้นนั่นคือคือความแก่ความแก่ตอนที่เด็กๆ การกก็เป็นเด็กวัยรุ่นมันก็เริ่มที่เนื้อหนังจเจริญขึ้นแต่ว่ามันแก่นั่นคือมันแก่ทีนี้ให้ดูไปถึงกระดูกข้างในเรามันมีอะไรบ้างเราไม่ได้สงสัยเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกดูที่หน้ากระดูกตรงนั้นกระดูกโครงจะโหมก กระดูกที่แก้มไม่มีกระดูกมันเป็นกระโหลกศีรษะติดกันไปเลยนี่ดูด้วยปัญญาแ ล, ล้วดกฝึกฝึกรู่นฝึกหลานของเราฝึกตัวเองให้เห็นภายในจนกระทั่งว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่เราจะแต่งงานก็แต่งไปไม่แต่งก็ไม่แต่งแต่ว่าความทุกข์มันมารอยอยู่แล้วรอรออยู่แล้วเรายังไม่แต่งงาน เอามีความทุกข์ขนาดนี้แต่เราแต่งงานมันมีความทุกข์ขนาดไหนไปคิดกันเราเองความทุกข์ทางนั้นเนี่ยที่มันมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเอาพอเริ่มที่จะแต่งงานมีลูกมาแล้วมาแล้วเอมีลูกมันก็มาแล้ว น, นี่แหละเราต้องพร้อมต้องพร้อมมาใหญ่พร้อมทางวัตถุจิตใจมันต้องพร้อมด้วย มีลูกมีอะไรขก้นมาในความยากจนมีความร่ำรวยอย่าโตแท้เราต้องสู้สู้ด้วยสติปัญญาในถ้าเราไม่สู้ชีวิตนี้ก็หมดหวังเพราะว่ามันแพ้มาตั้งแต่เด็กๆทีนี้พอเริ่มที่จะกลางคนความแก่มันก็มาเยี่ยงเราก็ต้องสู้ได้ความแก่คืออะไร นั่นคือปัญญาที่เราจะต้องอบรมให้มันมีถ้าเราไม่อบรมไม่มีปัญญาเราก็แพ้จนตายชีวิตนี้จะแพ้จนตายเลยมันรุกอย่างเดียวกิเลสมันรุกอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้เสริมปัญญาเนี่ยวันที่วันที่เาเล่นหมากรุกกันแหละเาเล่นหมากรุกกันเดี๋ยวก็หมดกระดานเดี๋ยวก็หมดกระดานเดียว ม, มันรุกหมด แ้วมันกาดปัญญาแต่คนที่ก็มีปัญญาก็เล่นหมากรุกเขาก็จะต้องคิดจะเดินซักตัวหนึ่งจะเดินไปลงตรงนั้นอะไรมันจะมาขันตรงนี้มันจะเอาตรงนั้นมันจะกินตัวโน้นนั่นหมากรุกหมากรุกนี่มันมาจากประเทศจีนนี่ดันั้ น, นให้มันรุกหรือว่าให้เรารุกแต่เรารุก เราต้องมีปัญญาชีวิตนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ตายตายทุกวันมีความทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่ ง, งมีความทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่ ง, งเพราะไม่มีปัญญาแก้ปัญหาไม่ได้พอแก่ขึ้นมาเราก็แก้ปัญหาลมๆแรงๆผมหงอกก็แก้หนังเหี่ยวก็แก้ ตาไม่ดีก็แก้แก้ทั้งนั้นแต่ว่าแก้ทางเนื้อหนังอย่างเดียวทางจิตไม่ได้แก้ทางปัญญาไม่ได้แก้จิตมันเลยโง่อยู่อย่างนั้นมันโง่พอแก่กูแก่เนี่ยกูแก่นั่นมันโง่แล้วเห็นไมมันโง่แ ล, แล้วมันกูแก่อย่างไรถ้าเรามีปัญญาโอ้ด่มันเป็นอย่างนี้เอง พอไปเห็นคนอื่นเ็าแก่เออเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันความแก่นี่มันธรรมดาอย่ายึดมัน่นถือมันมันเลยนี่ไม่กลัวคนที่เขาปฏิบัติทำเรียกว่าผู้ที่ก้าหาพระพุทธเจ้าในสมัยโน้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ฟังว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดา เรามีความตายเป็นธรรมดานี่ถ้าเรามีสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาคือมากบเราพระพุทธเจ้าตราถ้าใครมากบเราเป็นกัญยาณมิตรคนนั้นก็จะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายก็คือพ้นจากความทุกข์อา้าวพอพูดเรื่องความเกิด ให้เาพูดมากมากแล้วความเกิดไม่ใช่เกิดจากทองแม่ภนี่ยปาวะตัณานี่เกิดจากความรู้สึกวความรู้สึกว่าจิตนี่เป็นตัวกูนี่วความรู้สึกนี่เป็นตัวกูความรู้สึกเป็นตัวกูกูหนุ่มกูสาวเริ่มที่จะเป็นตุกแล้วกูแก่ทุกไปหนักอีกกูเจ็บกูจะต้องตายนี่เกิดแล้ว เ <N> นี่ยเกิดแล้วนี่คือเกิดปัจจามะต้องเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดทีหนึ่งก้าวยึดมัน่นถือมันทีหนึ่งทุกทีหนึ่งนั่นคือตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่งก็ตายทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งตายทีหนึ่งพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวกูแค่นั้นเองทุกแล้วแล้วก็ตายแล้วตายแล้วเกิดจิตโง่นั่นเนี่ยมันล่มละลายแล้วล่มละลายแล้วตัวนั้นน่แพ้แล้ว เพื่อนกินไปแล้วนี่ดนั้นความเกิดที่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็เพราะจิตมันโง่โง่จิตเองไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วไปเอาร่างกายมาเป็นตัวกูแล้วไปเอาความแก่มาเป็นของกูเอาความเจ็บมาเป็นของกูเอาความตายมาเป็นของกูมันก็จบก็จบอยู่กับความทุกข์ ชีวิตนี้ทั้งหมดอยู่กี่สิปีก็อยู่กับความทุกข์ล้าเกิดมาทําไมมาอยู่กับความทุกข์นี่ทางออกคือการปฏิบัติธรรมให้จิตนี้เป็นอิสระไม่ยึดถือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูนี่คือไม่กล้าไปยึดถือเมื่อเราไม่กล้าไปยึดถือจิตนั้นก็เป็นอิสระแล้วก็เป็นธรรมชาตินี่ เมื่อเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องเกิดแล้วก็ตายไม่ต้องแก่ความแก่ก็เป็นของธรรมชาติความเจ็บก็เป็นธรรมชาติความตายก็เป็นธรรมชาติแล้วไอ้อย่างอื่นไอ้สิ่งแวลดล้อมภายนอกมันเกิดแก่เจ็บตายไหมเหมือนกันหมดคนเหมือนกันหมดสัตว์เหมือนกันหมดต้นไม้ใบไม้ใบหญ้าเหมือนกันหมดแล้วทาไมเราไม่ศึกษาล่ะ ธรรมชาติมันสอนเราธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะอย่าไปมองข้ามธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติไม่ใช่อยู่ในวัดนอกวัดในวัดอยู่ทั้งนั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยธรรมะเราไม่เห็นเพราะเราตาบอดตาไรบอดตาปัญญาตาเนื้อเนี่มันเชื่อถืออะไรมันแต่ว่าตาปัญญาบอด เราเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ปฏิบัติเว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเห็นอะไรจริงหมดร่างกายก็เป็นตัวกูเป็นของกูเป็นของจริงพอเสร็จแล้วไอ้ของจริงนี้เนี่มันค่อยๆเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็กล้าไปยึดมันถือมันแย่ยแล้วกูตอนนี้ยึดมันถือมันร่างกายไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เจ็บป่วย กายมันเจ็บป่วยใจไม่ต้องไปเจ็บกับมันเพราะใจมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนจริงคือตัวความรู้สึกนั้นมันมันไม่มีตัวตนจริงมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอแค่มันก็รายงานให้รู้ว่าเกิดดับทางหน่อยทางตาเห็นรูปชอบไม่ชอบหรือว่าเกลียดอย่างนี้แต่นี่ถ้า จิตหรือใจนั้นมีสติปัญญามันก็รู้ทุกอย่างเหมือนกันเลยเราจึงไหวพระทวดมนเสร็จแล้วจเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายนี่เราแผ่เมตตาที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกันด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เ, เวลาโหนตูจงเป็นสุกเป็นฉุกเถิดมันเหมือนกันทั้งนั้นเลยทั้งคนทั้งสัตว์ที่มีชีวิตไม่มีชีวิตเหมือนกันหมด เหมือนกันหมดเพราะมันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ว่าคนนี่พิเศษพิเศษที่ว่าถ้าใครแสวงหาธรรมะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั่นแหละใครครบเราเป็นกันลยาณมิตรคนนั้นจะพ้นจากความเกิดเกิดความรู้สึกว่าตัวกูทีหนึ่งทุกทีหนึ่งนี่พ้นจากสิ่ง น, นั้นเห็นความเกิดโอ้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเอง แทนความแก่ของตัวเองของคนอื่นเอาความแก่นั้นมาใส่ที่ตัวเราเรายังไม่แก่พก็ของเราก็แก่แม่ของเราก็แก่ยายของเราก็แก่ได้ ว, ว่าคนแก่โดยทั่วทั่วไปอ้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันต่อไปนี่นั่นคือฝึกให้มีปัญญาขึ้นมาพอมีปัญญาขึ้นมากับจิตตัวนี้ต่อไปก็ เราก็ชนะความเกิดไม่ใช่เราความแก่ก็ไม่ใช่ของกูความเจ็บความตายก็ไม่ใช่ของกูนี่ทำจิตให้มันหลุดจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องกายไม่ต้องตายเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเองเกิดความรู้สึกไม่ติดตามผล ไม่รู้ไอ้ที่เกิดนั่นเป็นทุกข์ที่ว่าความเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เราท่องกันจนจําขึ้นใจก้าวไปอยู่ในสมองความเกิดเป็นทุกข์แล้วมันทุกข์ที่ตรงไหนถ้าเกิดจากท้องแม่้เราทุกข์ที่ตรงไหนไ ม, ไม่รู้เรื่องเลยนี่แต่ความเกิดที่เป็นทุกข์คือเกิดจําไม่ดีเกิดความยึดมัน่นถือมัน่น พอเกิดความยึดมัน่นถือมั่นขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แล้วเห็นว่าลูกของเราถ้าใครมีลูกอยู่ในประเทศอังกฤษอยู่ในประเทศอเมริกาอยู่ในออสเตรเลียอยู่ในนิวซีแลนด์ไปศึกษอาอ้าวพ่อแม่ทางนี้ก็เป็นทุกข์นั่นแหละเกิดเป็นทุกข์แล้วเกิดเป็นทุกข์แล้วมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านอยู่ในธนาคารนอนอยู่ ตื่นขึ้นมาคิดถึงเงินในธนาคารอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วนั่นคือเกิดความยึดมั่นถือมัน่นอะไรก็ตามถ้ามันเกิดความยึดมั่นถือมัน่นทุกหมดแล้วเราเออกมาเทียบกันดูดีว๋ว่าเกิดจากท้องแม่กับเกิดความรู้สึกอันไหนเป็นทุกข์กว่าอันไหนเป็นทุกข์กว่านี่เห็นไหมดังนั้นการเกิดทางท้องแม่จาก ท้องมารดาก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเหมือนกันหมดนี่แต่ว่าอันนี้มันเกิดความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอเกิดความรู้สึกเลยก็ไปยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ก็ไปยึดมั่นถือมันม่นมันทํำไงกูไม่ได้ใช้มันแก่กูมึงแก่มึงเองบอกอย่างนั้นที่ พอมึงแก่มึงเองกูไม่ได้จะให้มึงแก่แต่ไปเป็นทุกข์มันทําไมความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์เองกูไม่ได้ใช้มึงเจ็บมึงเจ็บมึงเองแล้วทํำยังไงเราก็รักษาไปหาหมอรักษาหมอรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายแล้วความเจ็บเป็นทุกข์ เราจะหลีกหนีความเจ็บได้ยังไงมันมีวิธีเดียวอย่าเอาจิตนั้นอย่าเอาจิตนั้นไปรับว่าความเจ็บของกูความเจ็บไม่ใช่ของกูของธรรมชาติของก้อนนี้ที่มันนอนเจ็บอยู่นี่ของเนื้อก้อนนี้มันเป็นธรรมชาติแต่เราปฏิบัติธรรมนำจิตนั้นหลีกออกไป จากร ar well, well, well, so well, well, well. well, ่างกายที่มันเจ็บอยู่รลีกออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกในจิตออกไปข้างนอกจิตไม่ใช่กูไม่ใช่กูแล้วก็ว่างว่างว่างวางวางนอนว่างว่างว่างจากความยึดมั่นถือมันแล้วความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายนั่นร่างกายไม่ใช่ของกูแล้วความเจ็บมันจะมาเป็นกูได้อย่างไรร่างกายมันไม่ใช่ของกู จิตก็ไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติที่มันหลีกออกไปได้นี่อันนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตลอดเวลาชีวิตเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับแขกที่มานั่นเพแขกที่มานั่นก็คือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ความเกิดทีนี้พอมันจะตายขึ้นมาโวยวายโวยวายก็กูไม่ได้ตายนี่มันไม่มีกู จิตนะไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูว่าความรู้สึกไม่ใช่กูเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนนู่นตอนที่เราปฏิบัติธรรมเป็นประจำเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนให้จิตอยู่กับความสงบจิตเห็นอนิจจังสิ่งตั้งปวงไม่เที่ยงไหลเรื่อยไหลเรื่อยเห็นทุกขังก็อย่ากล้าไปยึดมัน่นถือมั่นวันดิเื่อเราไม่ยึดมัน่นถือมันก็ไม่ทุกข์ เอ้นั่นสิงทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นนี่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนทีนี้เราเห็นว่ามันเป็นตัวตนตัวกูของกูโอ้ยถ้าพ่อแม่คนไหนไม่สบายมีลูกเป็นนายแพทย์โอยตายจะจะตายทักทีนี่ก็ตายไม่ลงนี่เห็นไหม มันเฉือนตรงนั้นมันตัดตรงนี้มันร่วมตรงโ น, น้นลูกเป็นแพทย์เนี่ยแล้จะไปชนะมันได้สิ่งทั้งหมดมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นตัวกูมันเป็นธรรมชาติไอ้ที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้เอาข้าวเอแกงโอากับของหวานใส่ในบาตรนั่นมันธรรมชาติ เ no, สร็จแล้วกินเข้าไปก็ここธรรมชาติมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยเปลี่ยนกินธรรมชาติธรรมชาติเองมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนพอเข้าไปอยู่ในเรามันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนมันเอาไปซ่อมแซมที่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เป็นกากมันก็ทิ้งไปนี่มันอยู่อย่างนี้นั่นคือธรรมชาติดังนั้นเพราะจากนั้น ทั้งคนกินอาหารคนฉันอาหารพระฉันอาหารพระเองชีเองก็เปลี่ยนคนธรรมดาสามัญเองก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางนั้นไม่มีอะไรเป็นของจริงเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่กล้าไปยึดมั่นหรือมั่นมันทีนี้ทั้งหมดไอ้คนที่กินอาหารก็ดีอาหารก็ดีว่างจากตัวตน ถ้าไม่ว่างจากตัวตนแล้วมันไม่เปลี่ยนดิอาหารก้าวไปอยู่ในท้องเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดไม่ย่อยไม่ทายอะไรนี่มันผิดธรรมชาติฉะนั้นธรรมชาติทุกอย่างไหลเรื่อยไม่มีอะไรหยุดนิ่งก็ไหลเรื่อยทีนี้เราตาไม่ดีเราต้องเลยต้องมาปฏิบัติธรรมใส่ตาใหม่ตาที่ธรรมชาติให้มันตาปรมทั้งนั้นเลยใส่ตาใหม่ เอาตาคือธรรมะตัวปัญญาที่พระพุทธเจ้าให้มาออกมาใส่ใหม่ใส่ที่ตรงไหนใส่ที่จิตให้จิตนั้นมันฉลาดพอฉลาดมันรู้เท่าตันธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมันอ่นตัวที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือชีวิตที่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นแต่การเตรียมพร้อมต้องมีปัญญาเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาไปใ่ใช่พอไปวัดไปทําบุญขอให้สวยขอให้รวยเลิอกเถอะอย่างนั้นเลิกได้แล้วแล้วขอให้สวยขอให้รวยพระก็หลอกได้สบายเลยนั่นเพราะพระนักหลอกมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ เราโยมทำบุญจะได้สวยจะได้รวยจะได้มีวิมานอยู่บนสวรรค์ก็ไปถึงดาวอังคารดาวพระจันทร์แล้วยังไม่เห็นตะกหลังหนึ่งเนี่ยวิมานน่ะนี่วิมานมันอยู่ที่เราไม่ยึดมั่นถือมันถ้ายึดมั่นถือมันมันเป็นทุกขมีวิมานจริงจรงมีคอนโดมีอะไร เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่เป็นทุกข์ไงความทุกข์มันมาจากอะไรมาจากความยึดมั่นถือมั่นไปดูกันะไปดูพอเกิดทุกข์กันว่ามันมาจากไหนอีกแล้วอ๋อเพราะยึดมั่นถือมั่นลูกอยู่กรุงเทพคนบ้านนอกลูกอยู่กรุงเทพเอาเป็นห่วงลูกเงินเดือนมันไม่พออย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อีกแล้วนีอ๋อไม่บอกก็ช่างหัวมันมัน วิชาอะไรมันก็เรียนมาแล้วมันไม่รู้จักหาไม่รู้จักชายก็ปล่อยมันนี่แคนี้นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นนี่ยมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอันนี้ยึดมั่นถือมั่นอันน้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หยุดยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หยุดมือไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยมือมือคือจิตนั่นแหละไม่ว่างเลย นั่งก็ยึดมั่นถือมันนอนก็ยึดมั่นถือมันกินก็ยึดมั่นถือมันกินไม่ได้ที่นี้ก็ยึดมั่นถือมัน่นความยึดมั่นถือมันมันไปจุกอยู่ที่ความรู้สึกตัวนั้นกินไม่ได้โอ้กินข้าวได้สามคำเลือได้ไหมนั่นแหละทุกขโทษของความยึดมั่นถือมั่นให้โยมทุกคนควังแล้วไปศึกษาดูเถอะไม่ต้องมากแค่นี้ก็พอแล้ว ขอหยุดติการบรรยายภากชาวขอให้เพียงเท่านี้